ปัญญาวิมุตต์ก็ต้องอาศัยความตั้งมั่นเหมือนกันนะครับก็สร้างความตั้งมั่นขึ้นบางคนก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองอินทรีย์อะไรก็ทํามันไปเรื่อยๆนะครับสมาธิบ้างปัญญาบ้างศรัท ธ, ธาก็มีกันทุกคนอยู่แล้วลไม่งั้นก็ไม่มาอยู่แล้วศรัท ธ, ธาในพระศ า, าสนาศรัท ธ, ธาในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ก็มีกันอยู่แล้ว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 บาปก็ส่งคืนให้บาปบุญก็กส่งคืนให้บุญไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจก็ก ส, จกส่งคืนให้ใจธรรมก็ส่งคืนให้ธรรมลูกก็ส่งคืนให้ลูกอย่าเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเห็นก็ส่งคืนให้เห็นอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของ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 เจตสิกนิพพานจิตไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่ใช่จิตรูปจิตเจตสิกนิพพานผู้มายึดมั่นถือมั่นในจิตจิตก็ไม่มีพิษถ้ามีผู้ยึดถือ เ, อเป็นเจ้าของแล้วจิตก็ต้องมีพิษ มีความหลงสัมพยุทธ์เพราะมีกิเลสสัมพยุทธ์จิตจะเด่นดวงสักเพียงใดก็าตามอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของจิตจะโง่งเขลาสักเพียงใดก็าตามอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของความเชื่สูงเราอยู่เหนือจิตเราบังคับจิตได้สัมปรมิจฉาทิตย ก็เไเราไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของจิตเรารู้จิตตามเป็นจริงของจิตเรารู้ทาตามเป็นจริงของทมแล้วเราส่งคืนทั้งสองอย่างเราไม่ไปขี้เราไม่ไปต้ น, เ ร, เ, ร เ, น, นเรารู้ทั้งอดีต ด, ด้วยเรารู้ทั้งอนาคต ด, ด้วยเรารู้เนี เราเรารู้ผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันผู้รู้ทั้งสามการนี้เราไม่ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อเราไม่ไปยึดถือเอาผู้รู้ทั้งสามการเป็นเจ้าของนล้เราก็ดับรอบโลกแล้ววิญญาณปฏิสันธิของเราก็ไม่มีอะไรอะไรที่จะไปตั้งอยู่ไม่มีอะไรอาวอนที่ไหน เราข้ามความหลงด้วยวิธีนี้เราทําลายอวิชชาด้วยวิธีนี้เราทําลายกันหาด้วยวิธีนี้เราทําลายอุปทานด้วยวิธีนี้ด้วยปัญญาอันชัดเราทําลายกรรมและผลของกรรมด้วยวิธีนี้เราทําลายเหตุด้วยวิธีนี้เราทําลายผลด้วยวิธีนี้ เราจึงอยู่เหนือเหตุเหนือผลจึงไม่เป็นเศษเศ้า เ, เหตุเศร้าผลปัญหาของเราจึงหมดไปไม่สอดแทรกตนเองมาให้สิกทุกข์ความฉันสูงที่สุดนี่ เหตนฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงปลาบว่าบางแหงสมาธิุ่นล้วนก็มีรถนิดเดียวเท่ากับไม้ชำละฝันท่านพูดนะในที่พูดนี้ท่นานไม่ได้พูดประมาทธรรมะท่านพูดตามเป็นจริงของธรรมะชั้นสูง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 เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่แต่ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นขับเป็นบุคคลเห็นปรากฏสกณนากายทุกขน้นทุกเหตุต้องการเห็นสิ่งไหนก็เห็นแต่ไม่ยึดถือในผู้เห็นแต่ไม่ยึดถือในผู้รู้เหตุฉะนั้นการรู้การเห็นจึงไม่มีพิษทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย ซึ่งได้ข้ามห่วงทะเลหลงไปรักอยู่มือเดียวไม่ได้ถือว่าเราแก่เก็บตายเป็นเรื่องสั้งขานต่างหากตายเสียก่อนตายตายเสียก่อนตายในตายทีแรกนั่นตายแห่งตัวกู ตายทีหลังตายแห่งร่างกายใจความของมันง่ายนิดเดียวคือว่าให้ตัวกู้ตัวกู้ซึ่งเป็นความรู้สึกว่าตัวกูยึดถือว่าตัวกูนะันตัวกู้ซึ่งเป็นเพียงความยึดถือนะี่ยหมดไปเสียก่อนแต่ที่ร่างกายมันจะตายการตายของร่างกายนั้นจะมีปัญหาก็ตอ่อเมื่อไอ้ตัวกูมันโง่ ไปเอามาเป็นความตายของกูถ้ามันให้เป็นความตายของธรรมชาติตามธรรมชาติมันก็ไม่มีความทุกข์หรมันไม่ได้เป็นทุกข์อยู่ที่ความตายนะคุณคุณคุณฟังดูดีดๆว่าความทุกข์ไม่ได้มันเป็นความทุกข์อยู่ที่ตัวความตาย <c oughs> มันเป็นทุกข์อยู่ที่มันโง่เอาความตายมาเป็นของกู แต่มันยังมีความรู้สึกว่าตัวคูตัวกูอยู่เพียงไรมันก็ยั ง, งโง่อยู่เพียงนั้นแหละมันต้องถือว่าความรู้สึกว่าตัวครูตัวกรูนัน่นคือบร ม, มงโง่อะพอสมควรครับ